จเจาริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุฝ่ายขรศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26รพฤศภาคมพุทธศักราชพุทธศักราช2 5 5 0เป็นเวลาเป็นเวลาเป็นวันหยุดเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายมี เวลาว่างจากภารกิจการงานและมีโอกาสพิเศษบางท่านมาทำบุญเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดบางบางท่านก็มาทำบุญเพราะเป็นเรื่องปกติที่จะมาอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะมาด้วยเหตุใดก็ตามการมาวัดมาทำบุญ มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการกระทําที่ชอบเป็นการที่เป็นการกระทําที่จะนำํำพาไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพราะพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน กรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุที่จะส่งผลให้สัตว์โลกได้ไปเกิดในที่สูงในที่ต่ำสัตว์โลกทั้งหลายมีการเป็นของของตนจากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่ว จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่เราได้มาเกิดแล้วมีความแตกต่างกันทางฐานะการเงินการทองทางด้านสติปัญญาความรู้ความฉลาดทางด้านรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหรือไม่สวยงามทางด้านอายุที่มีอายุยืนยาวนา หรือไม่หรือทางด้านสุขภาพร่างกายว่ามีโรคภัยเบียดเบียนมากน้อยเพียงไรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตนั่นเองถ้าเราทำแต่ความดีทำบุญละบาปไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเราเกิดมาเราก็จะ ไม่ต้อง <c oughs> มีโรคภัยเบียดเบียนเราจะมีอายุยืนยาวนานมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีกำลังทรัพย์เป็นคนร่ำรวยไม่ต้องมาลำบากลำบนเก็บขยะไปขายหรือทำงานตรากรำตลอดเวลาแต่ก็ไม่เคยได้ร่ำได้รวยกับเขา ก็เพราะว่าไม่ได้หวานพืชไว้นั่นเองพืชก็คือบุญนี่เองถ้าเราวานพืชไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่พืชที่เราวานจะออกดอกออกผลก็จะออกมาเป็นจำนวนมากทำให้เราร่ำรวยทำให้เราเกิดมาบนกองเงินกองทองมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม ถ้าเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราไปเกิดข้างหน้าเราก็จะเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่จะสามารถรักษาตนเองให้แค็งคลรางปลอดภัยจาก <c oughs> ทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าจึงสอนชาวพุทธเราให้เชื่อในหลักกรรมถ้าเชื่อในหลักกรรมก็เท่ากับเชื่อในพระรัตนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เชื่อในหลักกรรมพระธรรมคำสอนก็สอนเรื่องของกรรมพระอริยสงสาวกท่านก็เชื่อในหลักกรรมท่านก็ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จนท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากห่วงมนันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งสิน้นไม่ได้อยู่ที่การที่เราห้อยอะไรไว้ที่คอของเราจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเทพก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราจริงๆ ถ้าดีจริงแล้วคนห้อยเป็นล้านคนป่านนี้ก็รวยเป็นล้านเป็นกันไปหมดแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ห้อยไปก็ห้อยไปอย่างนั้นห้อยเพื่อความหวังเท่านั้นเองเห็นเขาว่าดีก็ไม่อยากจะตกยุคตกสมัยกลัวเดี๋ยวไม่ได้ห้อยแล้วจะไม่ได้ดีตามเขานี่นี่คือผลที่เกิดจากการไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงไปทำในสิ่งที่ผิดอยู่เรื่อยๆเมื่อทำในสิ่งที่ผิดก็ไม่ได้ผลที่ตนเองต้องการพระพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าอยากจะรวยก็ต้องทำบุญในอดีตถ้าในอดีตไม่ได้ทำบุญมาชาตินี้ก็ยังรวยไม่ได้ก็ต้องอดทนรอไปก่อนแต่ท่านก็ทรงสอนบอกว่าถ้าไม่ได้ทำบุญเราก็ยังสามารถรวยได้ในชาตินี้ แต่เราต้องทำเราอย่าไปเสียเงินไปซื้อไปเช่าพระมาห้อยคอมันไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านสอนให้เรามีความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหาได้มามากน้อยเพียงไรก็ให้เก็บไว้อย่าเอาไปใช้ให้เอาเงินที่เก็บนี้มาขยายกิจการก่อน มีร้านอยู่ร้านหนึ่งก็ไปขยายเป็นสองร้านได้สองร้านก็เปลียดก็ขยายเป็นสี่ร้านได้สี่ร้านก็ขยายเป็นแปดร้านอย่างนี้ไม่นานก็จะรวยได้ยกตัวอย่างพวกธนาคารทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขามีสาขาเป็นร้อยเป็นพันสาขาแต่เวลาที่เขาเริ่มต้นเขาก็เริ่มต้นเพียงธนาคารเดียวไม่มีสาขา เขาก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเมื่อเขาได้กำไรเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเขาก็ไปเปิดสาขาใหม่ทาไปเรื่อยๆขยันรักษาชื่อเสียงไว้ให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตตรงไปตรงมาอย่ากโกหกหลอกลวงรับรองได้ว่าเราจะมีลูกค้ามาทำมาหากินกับเรามาซื้อข้าวซื้อของ ซื้อบริการของเราเพราะเวลาเขามาแล้วเขาไม่ผิดหวังเราพูดคำไหนมันก็เป็นคำนั้นเเขาถามว่าของที่เราเขาต้องการเขาต้องการในวันพรุ่งนี้จะจะมีให้เขาหรือไม่แล้วถ้าเราบอกว่ามีมันก็ต้องมีไม่ใช่บอกว่ามีแล้วพอร่วมขึ้นเขามาก็ไม่ได้ของดังที่เขาต้องการถ้าอย่างนี้ เขาก็เบื่อเขาก็ไม่อยากที่จะมาทำมาค้าขายกับเราคนเราจะร่ำจะรวยต้องทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยปัญญาคือต้องศึกษาดูตลาดดูความต้องการถ้าขายในสิ่งที่ไม่มีคนก็ต้องการขายไปจนมันตายก็ขายไม่ออก เพราะไม่มีใครเขาต้องการของที่เราขายนั่นเองเราต้องศึกษาดูแนวทางดูความต้องการของคนว่าเขาต้องการอะไรเราก็หาไปหาสิ่งที่เขาต้องการมาขายอย่างตอนนี้พวกที่ผลิตพวกเหรียญต่างๆเนี่ยเขารู้ว่ากำลังขายดีเดี๋ยวนี้มีผลิตกันมีโรงงานมีโรงงานเถื่อนอยู่เยอะแยะไปหมด ตำรวจก็เพิ่งไปจับมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราว่าคิดว่าวิเศษนั้นความจริงมันก็เป็นของปลอมทั้งนั้นไปซื้อของปลอมมาให้คอแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับชีวิตของเราดีขึ้นเลยเป็นเพียงอุปอ ป, ปทานความคิดเท่านั้นเองเผื่อห้อยพระหรือห้อยเหรียญแล้วไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลเข้า ก็เลยยกให้เป็นเรื่องของเหรียญที่เราห้อยอยู่ที่คอทําให้เราได้ถูกลอตเตอรี่แต่คนที่เขาไม่ได้ห้อยเขาถูกก็มีอยู่เยอะแยะไปและคนที่ห้อยแล้วไม่ได้ถูกก็มีอยู่เยอะแยะไปเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่เหรียญที่เราห้อยคอมันอยู่ที่โชคก็ได้หรือว่าอยู่ที่บุญที่เราเคยทำมาในอดีตก็ได้เมื่อเราทำบุญมามากมา ก, มาก ถึงเวลาที่บุญจะออกผลมันก็หาช่องออกจนได้เราไปซื้อลอตเตอรี่เพียงใบเดียวก็ถูกได้คนที่ยังไม่มีบุญบุญยังไม่ถึงเวลาที่จะออกดอกออกผลต่อให้ซื้อเป็นร้อยใบยพันใบมันก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขอให้เราเชื่อในหลักกรรมขอให้เราทาดีไว้ ทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วผลต่างๆก็จะผลดีต่างๆก็จะตามมาผลเสียผลร้ายต่างๆก็จะอยู่ไกลจากเราไกลจากตัวเราไปทุกสิ่งทุกอย่างดีชั่วมันเกิดขึ้นอยู่ที่การกระทาของเราทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือไม่ หรือเราจะเชื่อหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะได้เราจะไม่ผิดหวังเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสาวกจะไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะสิ่งต่างๆที่ท่านสอนเรานั้นเป็นความจริงทั้งนั้นไม่มีไม่มีของปลอมเจือปนอยู่เลยถอนว่าทำดีได้ดีก็เป็นอย่างนั้น ทำเชื่อได้เชื่อก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหาเหรียญมาห้อยที่คอในสมัยพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าไม่ส่งอนุญาตให้มีการสร้างมีการหล่อพระพุทธรูปเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่ได้เป็นตัวสำคัญไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราวิเศษทาให้เราจเจริญ ทำให้เรามีความสุขได้สิ่งที่วิเศษสิ่งที่เจริญก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนคือทําดีละบาปกําจัดความโลภความโกรธความหลงนี้ทั้งหากที่จะทําให้เราดีให้เราสุขให้เจริญและพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเด็กว่าพระที่แท้จริงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูป ไม่ได้อยู่ที่เหรียญที่เราห้อยแต่อยู่ที่การกระทาของเราทรงตรัสว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นเกิดจากการทำความดีเมื่อเกิด ทำความดีจนเกิดผลแล้วก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของเราเป็นแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อมีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติตามตถาคตสังสอน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำดีละบาปอย่า <c oughs> อย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงจะชุดลากให้เราไปทำบาปไปทำในสิ่งที่ไม่ดี <c oughs> เวลาเราโลภอยากจะได้อะไรมากๆเวลาจะขายของเวลาอยากจะให้ลูกค้าเขาซื้อของของเรา ถึงแม้เราไม่มีของเราก็บอกเขาว่ามีบอกให้เขากลับมาในวันรุ่งขึ้นพอเขากลับมาก็ไม่มีของให้เขาแต่เอาเงินของเขาไปก่อนแล้วแล้วก็มีเหตุผลมาอ้างอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่เพราะความโลกทำให้เราต้องทำในสิ่งที่ไม่ดีคือไปพูดปดไปทำบา เอาเงินของเขามาก่อนแล้วก็ไม่คืนเขาด้วยทัทง้ทงๆ ท, ที่ไม่ได้บีบของให้กับเขา mm hmm. ก็อ้างว่าเอาเงินไปใช้หมดแล้วอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. ก็เลยกลายเป็นคนทำต้องก็เลยทําบาปทํากรรมไป mm hmm. เมื่อทําบาปทํากรรมไปแล้วผลในปัจจุบันก็ไม่ไ ม, ไม่ทำให้ตนเองจเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายก็จะไม่ มีไม่มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อตายไปก็ต้องไปสู่ทุกขติไปสู่อบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นผีเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปทำกรรมเพราะมีความโลภนั่นเองถ้าเราไม่โลภสักอย่างเราอยู่ได้คนที่ไม่โลภ เพราะว่าความจำเป็นความต้องการของชีวิตของร่างกายนี้มีไม่มากเราเพียงมีปัจจัย c ีเราก็อยู่ได้แล้วมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดมีที่หลบแดดหลบฝนไม่ต้องเป็นบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้เดือนละพันสองพันพอหลบแดดหลบฝนเราก็อยู่ได้ เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปโลกไปอยากมีบ้านราคาเป็นแสนราคาเป็นล้านไม่จำเป็นจะต้องไปอยากมีเสื้อผ้าราคาแพงแพงไว้สวมใส่เพราะเมื่อมีความโลภอยากได้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องไปทำมาหากินที่ไม่สุดเจริตเราจะต้องโกหกเราจะต้องขายของ ราคาเกินราคาของที่ควรจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนเมื่อทำอย่างนี้แล้วเราจะไม่ได้ดบไม่ได้ดีแล้วเราจะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความไม่สบายใจพอต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามมันจะไม่พอที่จะมาเลี้ยง ความโลภของเราเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรเราก็ยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆต่อให้มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่รู้จักพอยังไม่รู้จักอิ่มจะต้องหามาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราเราพอมีพอกินแล้วเราก็ไม่ต้องไปดินน้นรนไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปช่อโกถ้าเราไม่มี เราทําในสิ่งที่เขาต้องการให้เราทําไม่ได้เราก็บอกเขาไปว่าทําไม่ได้เขาอยากจะให้เราทํางานชิ้นนี้กับเราให้เราทําให้กับเขาเราบอกว่าตอนนี้ไม่ว่ายังไม่มีเวลาถ้าอาทิตย์หน้าอย่างนี้พอจะทําได้ mm. ก็บอกเขาตรงๆไปถ้าเขาชอบฝีมือของเราเขาเชื่อในคําพูดของเรารู้ว่าเราพูดจริง เขาก็อาจจะรอเราก่อนก็นได้เาก็เราก็ไม่เสียลูกค้าไปแต่ถ้าเราไปหลอกเขาไปโกหเขาว่าได้รับเงินเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเพียงนิดหน่อยก่อนไว้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเชื้อให้เขาเห็นว่าได้ทำแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำงานอย่างอื่นเขาก็รอเขาก็นั่งรอเราให้ทำไม่เสร็จมามาทีไลก็บอกยังไม่เสร็จ ติดนั่นติดนี่มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆทำอย่างนี้ไปแล้วมีใครก็อยากจะมาให้งานเราทำมีใครก็อยากจะมาทำมาหากินกับเรามันไม่มีหรอกเพราะคนเราทุกคนก็ต้องมีความต้องการที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการในเวลาที่ได้กำหนดไว้ที่ได้ตกลงกันไว้ถ้าไม่ได้ทำตามเวลานั้นแล้วเขาก็เบื่อ เขาก็ต้องไปหาคนอื่นคนที่สามารถทำในสิ่งที่เขาพูดได้คือไม่พูดโกหกหลอกลวงกันนั่นเองนี่คือปัญหาของพวกเราส่วนใหญ่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากจะได้สิ่งต่างๆเพราะหลงนั่นเองความโลภไม่เกิดจากความหลงหลงคิดว่าถ้าได้อะไรมามากๆแล้ว จะมีความสุขแต่หารู้ไม่ว่าได้มาแล้วจะไม่พอจะต้องหามาอยู่เรื่อยๆแล้วจะต้องวุ่นวายจะต้องดิ้นรนหาสิ่งต่างๆมาหามาเท่าไหร่ก็ต้องหามาอีกอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไปแล้วก็ต้องไปทำบาปทำกรรมหาความสุขไม่ไม่เจอคนที่จะมีความสุขนั้นต้องเป็นคนที่ไม่โลภ คนที่ไม่โลภต้องรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราได้ความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากใจที่สงบระงับดับจากความโลภจากความโกรธจากความหลงต่างๆเท่านั้นถ้าเราไม่โลภเราก็จะไม่โกรธเมื่อเราไม่โกรธเราก็จะอยู่อย่างโร่มเย็นเป็นสุขมีความสบาย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความมักน้อยสัมโดคือให้เรามักน้อยยินดีเท่าที่จําเป็นเรามีความจําเป็นที่จะต้องมีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ให้มีเท่านั้นก็พอเช่นเสื้อผ้าเรามีสองชุดเราก็อยู่ได้แล้วสลับกันใส่วันนี้ใส่ชุดนี้ อีกชุดหนึ่งเราก็เอาไปซักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เอาชุดชุดชุดที่เราซักมาใส่แล้วเอาชุดที่ใส่นี้ไปซักสองชุดนี้ก็อยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องมีเป็นร้อยรอยชุดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีมีร้อยชุดก็ใส่ได้ทีละชุดเท่านั้นเองไม่ได้ใส่ทีร้อยชุดไปพร้อมๆกันใส่ไม่ได้เพราะมีร่างกายเพียงเพียงร่างกายอันเดียว ก็ต้องใส่ทีละชุดนั้นคาว่ามักน้อยก็คือให้มีเท่าที่จำเป็นอย่าไปมีมากเกินความจำเป็นมันจะไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่จะเป็นภาระมันจะเป็นสร้างความห่วงสร้างความกังวลแล้วก็สร้างความอยากให้มีขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้น ถ้าเรามีความมากน้อยแล้วความโลภมันจะไม่สามารถที่จะมามีอำนาจอยู่ในใจของเราได้เพราะเวลาโลภอยากจะได้อะไรเราก็จะถามว่าไม่พอเหรอเท่าที่มีอยู่นี้ไม่พอใช้หรือเท่าที่มีอยู่นี้ไม่พอกินหรือไม่พออยู่หรือมันก็พอทั้งนั้นพวกเราทุกวันนี้เรามีสิ่งที่จาเป็นพอเพียงกันทุกคนอยู่แล้ว บ้านก็มีอยู่เสื้อผ้าก็มีใส่อาหารก็มีรับประทานยาก็มีรักษาโรคดังนั้นสิ่งจาเป็นนั้นมันพอเพียงอยู่แล้วมีแต่ความโลภเท่านั้นเองที่มันมาสร้างความรู้สึกหิวรู้สึกอยากรู้สึกว่าตนเองนั้นไม่มีความสุขเลย ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราอย่าไปทำความโลภเพราะทำตามความโลภก็ยิ่งสร้างความความทุกข์สร้างความหิวสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าอยากจะสร้างความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราดับความโลภอย่าไปโลภให้เราใช้ธรรมะคือความมักน้อยนี่มา เป็นตัวปราบความโลภถ้าเรามีพอเพียงแล้วกับความจำเป็นเราก็ไม่ต้องไปหามาอีกเอาเวลาที่มีอยู่นี้มาทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าเรามีเงินเหลือแทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นเอาเงินนี้มาทำบุญมาช่วยเหลือคนอื่น มันจะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจและจะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดในชาติหน้าทำให้เราร่ำรวยขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทากันแทนที่จะใช้เงินใช้ทอไปให้จนหมด เราไปเกิดชาติหน้าก็จะไม่มีเงินทองติดตัวไปด้วยจะต้องเป็นคนยากคนจนลําบากลําบนจึงขอให้เราเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเชื่อในหลักกรรมในเรื่องการทําความดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วขอให้เชื่อเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้น เป็นความจริงแต่เป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะพวกเราไม่มีตาทิพนั่นเองเรามีแต่ตาเนื้อเราเห็นเพียงแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแต่เราไม่เห็นอนดีตประชาติของเราว่าเราได้ทําบุญทํากรรมมามากน้อยเพียงไรและเราไม่เห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้น ต่อไปว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปเป็นอะไรมีพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเท่านั้นที่มีดวงตาเห็นธรรมมีตาทิพย์ที่จะสามารถเห็นเห็นเรื่องขอบวิบากกรรมได้ถ้าเราไม่เชื่อก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่เชื่อคนตาดีคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดี แล้วจะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างไรเพราะมองไม่เห็นทางไม่รู้ว่าทิศไหนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่ด้านใดถ้าอยากจะเดินไปทิศตะวันออกแต่เดินไปทางทิศเหนือเดินไปจนวันตายก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกับพวกเราถ้าอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีความสุขแต่เรากลับไป ไปกลับไปหากลับไปซื้อเหรียญซื้อพระมาห้อยคอแล้วก็นั่งงอมืองอเท้ารอให้ร่ำให้รวยขึ้นมานั่งรอไปจนวันตายก็ไม่มีทิศไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าถ้าอยากจะรวยก็ต้องไปทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เก็บเงินเก็บทอง เอามาขยายกิจการไปเรื่อยๆถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนี่คือหลักความจริงอยู่ตรงที่การกระทําเราจรึงต้องเป็นที่พึ่งของเราอัตตาหิอัตโนานาโถการที่เราห้อยพระนี้ไม่ได้ห้อยเพื่อให้พระมาช่วยเราช่วยทําให้เรารวย การห้อยพระนี้ความจริงก็มีเหตุผลอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเตือนสติเรานั่นเองให้เราลำ่ลำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราดูพระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสงสาวบนเป็นตัวอย่างว่าท่านทำตัวอย่างไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรท่านหาเหรียญหาพระมาห้อยคอแล้วก็มานั่งรอ ให้เหรียญให้พระมาปุกมาทำให้ท่านวิเศษวิโสขึ้นมาหรือไปท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นท่านมีแต่บาเพ็ญทำความดีทำรักษาศีลปฏิบัติธรรมกาจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากใจนั่นแหละจึงทำให้ท่านกลายเป็นผู้วิเศษกลายเป็นคนที่มีความสุขเต็มอยู่ในหัวใจ เพราะเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วความหิวภายในใจก็จะหมดไปเมื่อไม่มีความหิวความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะมีความอิ่มมีความสุขต้องตัดความโลภอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆเพราะเราก็ได้มามากแล้วเราโลภมามากแล้วแต่เรายังไม่ได้พบกับความอิ่มพบกับความพอเลย เพราะการได้อะไรมาตามความโลภตามความอยากไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอแต่ทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปท่านจึงตัดไว้ว่าน้ำในมหาสมุทรมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝัง่งแต่ความโลภความอยากคือตันหาไม่มีขอบไม่มีฝัง่ง ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังจะไม่มีความพอจะพอได้ก็ต่อเมื่อเราละนับความอยากละ ง, งับความโลภเท่านั้นจึงขอให้ท่านจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวงแล้วปฏิบัติตาม แล้วรับรองได้ว่าท่านจะได้พบกับสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการเจริญด้วยอายุวันะสุขภะละก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของบุญเรื่องของกรรมให้ท่านได้นำไปพิปจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเธอ